สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิอภิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยแปดสิบเจ็ดเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูตอนที่หกสิบสองขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับเราอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เราอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในประโยคที่ว่าขอทรงยกบาปผิดของข้าพระองค์นั้นมี อยู่สองประการใหญ่ๆครับประการแรกก็คือการยกโทษทางศาลประการที่สองก็คือการยกโทษทางสัมพันธภาพโปรดฟังพรชนะของพระเจ้ามัตทิวบทที่หกข้อสิบสี่ถึงสิบห้ามัตทิวบทที่หกข้อสิบสี่ถึงสิบห้าเพราะว่าถ้าท่านยกบาปผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันโปรดฟังอีกครั้งเพราะว่าถ้าท่านยกบาปผิดของเพื่อนมนุษย์บิดาพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกบาปผิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยกบาปผิดของเพื่อมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิด ของท่านเหมือนกันคําอธิบายที่สําคัญนะครับตามมานะครับหลังจากคําอธิษฐานพี่น้องครับคําอธิบายนี้ก็คือว่าพระเจ้าไม่โปรดยกความผิดของเราถ้าอะไรครับถ้าเราไม่ยกโทษให้คนอื่นโปรดจำไว้ว่าเรากําลังพูดถึงเรื่องการให้อภัยในเชิงสัมพันธภาพนะครับในเชิงของลักษณะของความสัมพันธ์ที่พระเจ้ากับเรานะครับมีความสัมพันธ์ การความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับก็คือการชําระให้บริสุทธิ์ครับเพราะว่าการชำระให้บริสุทธิ์นั้นมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์การเชื่อฟังของเราที่มีต่อพระเจ้าความการมีรความปรารถนาที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการกลับใจใหม่ในการที่เราจะถูกชําระให้บริสุทธิ์นั่นเองพี่น้องครับ เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้อภัยในเชิงสารเพราะว่าการให้อภัยในเชิงสารนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงฐานะหรือสถานะนะฮะสถานะภาพซึ่งหมายถึงการได้รับความรอดการยกบาปนะครับมีสองมิติด้วยกันครับมิติแรกก็คือเชิงสารครับก็คือการประกาศประกาศนะครับว่าต่อไปนี้เรามีท่าทีแข่งนันกับใจใหม่ เราได้ทูลเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในประทับอยู่ในชีวิตนะครับเราได้รับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพครับนะก็คือจากความตายนิรันด์มาสู่ความรอดนิรันด์นะครับหรือชีวิตนิรันด์นั่นเองพี่น้องครับมาถึงตรงนี้นะครับผมอยากจะถามพี่น้องว่าเราเคยปลดปล่อยคนอื่นให้หลุดพ้นจากความขุ่นเคืองนะครับของเราหรือเปล่าเราเคยปล่อย คนอื่นให้หลุดออกจากการถูกผูกมัดนะครับหรือการความขมขื่นใจของเราหรือเปล่าเราเคยปล่อยคนอื่นไปไหมครับหรือว่าเราผูกมัดเขาเราแบกภาระของเขาเพราะเหตที่ว่าเรามีความขมขื่นใจครับพี่น้องเรามีการขุ่นเคืองขับค้องใจที่มีต่อคนอื่นพี่น้องครับการให้อภัย ยังหมดหัวใจนะครับหลายๆคนทํายากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่สามารถให้อภัยได้หรือเขาเรียกว่าเจ็บมันลึกเจ็บลึกเพราะฉะนั้นเหตุผลต่างๆครับที่พระเจ้นัของพระเจ้าสอนเรานะครับเราจะต้องยกโทษให้กันและกันเพื่อที่พระเจ้าจะทรงโปรดยกบาปผิดของพวกเราเพระเาะฉะนั้นครับมีเหตุผลอยู่ ทั้งหมดสี่ประการนะครับในที่นี้ผมอยากจะแบ่งปันพี่น้องนะครับวันนี้ทั้งสี่ประการเลยครับประการแรกก็คือเพราะว่าการที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นลักษณะนิสัยของธรรมิกชนความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นอุปนิสัยที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคริสเตียนคริสเตียนนั้น เป็นผู้ที่ให้อภัยแก่คนอื่นถ้าเราบอกว่าเรายังไม่สามารถให้อภัยได้ลองดูสิครับลองก้าวแรกดูนะครับเราอาจจะมีความขมขืนใจถูกผูกมัดนะครับหรือเกิดความขุนเคืองรับค้องใจทั้งหลายพี่น้องครับเราจะต้องเริ่มต้นในการให้อภัยแก่คนอื่นมัตติวบทที่ห้าข้อสิบสี่ถึงสี่สิบห้าได้กล่าวว่าอย่างนี้นะครับจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐาน เพื่อผู้ที่ขมเหงท่านทำดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ที่ได้บอกชัดเจนนะครับจงรักศัตรูจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ขมเหงเราคําถามก็คือว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูมากน้อยขนาดไหนครับและเราเมื่ออธิษฐานตรงนี้เราได้คิดถึงเรื่องนี้ไหมครับว่ามัน เป็นนิสัยของเราทั้งหลายหรือเปล่าที่เป็นธรรมิกชนหากว่าเป็นนะครับมันจะต้องแสดงออกด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเห็นความการเชื่อมโยงในสองประเด็นสาคัญสำคัญนี้ไหมครับประเด็นสาคัญแรกนะครับก็คือการมีชีวิตที่บริสุทธิ์นะปร ะ, ประเด็นสาคัญต่อไปก็คือว่าจะต้องยกโทษนะะต้องรักศัตรู ต้องอธิษฐานเผื่อคนที่ข่มเหงทีนครับนี่คือประการแรกแรกสุดครับลักษณะนิสัยของเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนที่ควรมีหากว่าเราไม่ยกโทษให้ใครบางคนเราก็กำลังยกตัวเองขึ้นเป็นผู้พิพากษาครับนะบผมพูดซ้ำอีกครั้งครับถ้าใครไม่ยกโทษนะครับเขาก็กำลังยกตัวเองเป็นผู้พิพากษา ที่อยู่เหนือพระเจ้าด้วยครับพระเจ้าทรงยกโทษให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําเหมือนพระองค์ครับก็คือยกโทษให้กับคนอื่นประการต่อไปครับประการที่สองเราจะต้องยกโทษต่อ ก, กันและกันเพราะนี่เป็นการทําตามแบบอย่างของพระเยซูในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อหกนะครับได้กล่าวว่าถ้าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์ เราก็ควรดำเนินชีวิตตามพระองค์ด้วยพรงทรงดำเนินอย่างไรทรงยกโทษนะครับเอเฟซัสที่4ข้อ32บอกว่าเราจะต้องให้อภัยโทษนะครับอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคิดนั้นพี่น้องครับหากเรามองถึงภาพที่พระเยซูได้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนนั้นผู้ที่ตอกตะปูทะลุฝ่าพระหัตถ์ฝ่าพระบาท ของพระเยซูนะครับพระเยซูแสดงยังไงครับต่อคนที่ถมน้ําลายลดพระองค์เหยียดหยามพระองค์และพวกทหารที่เอาน้ํามาสวนมามาพันเป็นมงกุฎนะครับแล้วก็รสวนมงกุฎหนามที่พระเสียรของพระเยซูพี่น้องครับพระเยซูทําไงครับพระเยซูขณะที่อยู่บนแม่นเขนนั้นพระองค์ตรัสอย่างนี้ครับว่า อธิษฐานขอพระบิดาขอทรงโปรดยกโทษให้กับพวกเขาที่น้องครับไม่มีใครในพวกเราที่ต้องทนทุกอย่างที่ประคิต้องทนแต่พระองค์ก็ยังทรงอภัยอภัยโทษแก่เราทั้งสิ้นทั้งหมดและนี่คือแบบอย่างของเราที่เราต้องให้อภัยคนอื่นประการที่สามครับเราจะต้องยกโทษต่อกันและกันเพราะนี่เป็นคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์นะครับการยกโทษเนี่ย นะครับผมชวนกลับไปนะครับการยกโทษเนี่ยเป็นนิสัยของธรรมิกชนนะครับการยกโทษเป็นการทำตามแบบอย่างของพระเยซูประการที่สามการยกโทษเป็นคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์มนุษย์แสดงถึงศักดิ์ศ ร, รีแห่งการเป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบพระฉายาของพระองค์ก็ต่อเมื่อพวกเขาให้อภัยต่อกันครับสุภาษิตบทที่สิบเก้าข้อสิบเอ็ดได้กล่าวว่า สามัญสำนึกที่ดีทําให้คนโกรธช้าและที่มองข้ามการทรยศไปเสียก็เป็นศักดิ์ศรีแก่เขาพี่น้องครับจิตใจที่ไม่ยอมให้อภัยเป็นประโยชน์ต่อมานครับตามที่กล่าวไว้ในสองโครินบทที่สองข้อที่สองโครินบทที่สองครับข้อและฮีบรูบทที่สิบสองข้อสิบห้านะครับพูดถึงจิตใจที่ไม่ยอมให้อภัยนั้นเป็นประโยชน์ต่อมานครับและฮีบรูนั้นก็บอกว่า รักขมขืนนนำความยุ่งยากมาให้หรือทำให้เกิดความยุ่งยา ก, ยยากผู้ที่แบกความขมขืนหรือความขุนเคืองไว้ย่อมทำร้ายตัวเองอย่างแน่นอนครับพี่น้องนี่คือภาวะขาดทุนของชีวิตนะครับประการสุดท้ายครับเราควรจะยกโทษต่อกันและกันเพราะมันจะปลดปล่อยเราให้รอดพ้นจากการปรับโทษนะครับปรับโทษที่ไหน มีบาปที่นั่นต้องมีการลงโทษครับบุตรของพระเจ้าคนไหนที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระองค์จะทรงตรีสอนเพี่องครับก่อนจะจบในวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสอ่านพระชจนะของพระเจ้านะครับเป็นบทสรุปเรื่องของการยกโทษฮีบรูบทที่สิบสองครับฮีบรูฮีบรูบทที่สิบสองข้อที่ห้าครับ ท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ทรงเตือนพวกท่านในฐานะที่เป็นบุตรว่าบุตรชายของเราเอย๋ยอย่าละเลยต่อการตีสองขององค์พระบุญ เ, เจ้าและอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตักเตือนเพราะองค์พระบูญ เ, เจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับใครเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงเขี้ยนตีคนนั้นทั้งหลายจงสู้ทนเอาเถิดเพราะเป็นการตีสอน พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตรของพระองค์เพราะว่ามีบุตรคนไหนบ้างที่บิดาไม่ตีสอนแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆท่านก็ไม่ใช่บุตรแต่เป็นลูกนอกกฎหมายยิ่งไปกว่านั้นเราทั้งหลายมีพ่อบิดาเป็นมนุษย์ที่ตีสอนเราและเราก็นับถือบิดานั้นเราจึงยิ่งควรอยู่ใต้บังคับของพ่อบิดาแห่งจิตวิญญาณและดำรงชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือ เพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของพวกเขาแต่พระองค์ทรงตีสอนเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะได้มีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์การตีสอนทุกอย่างการตีสอนทุกอย่างนั้นไม่ได้นํามาซึ่งความเพลิดเพลินจํานิญใจกับผู้ที่ถูกตีสอนแต่ในที่สุดในที่สุดก็จะเกิดประโยชน์ ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องแทักทุกท่านในเช้าวันนี้ที่เราจ่ายทิศฐานตามแบบอย่างพระเยซูได้ขัดเดียวกันเมื่อมาถึงเรื่องของการยกโทษสี่ประการครับในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพอรอาเมน